ชั้นที่สองสวรร์ชั้นดาวดึงชั้นที่สามสวรร์ชั้นยามาชั้นที่สี่สวรร์ชั้นดุสิตชั้นที่ห้าสวรร์ชั้นนิมานรดีชั้นที่หสวรร์ชั้นปรินิมิตาสวัสดีใช่ไหมสวรรษหกชั้นนะทีนี้แต่ละแต่ละชั้นก็จะมีเจ้าผู้ อานักเจ้าของสวรรค์วันนี้จะไม่ลงลึกในรายละเอียดเพราะเวลาไม่พอนะเอาเฉพาะที่จำเป็นนะเฉพาะที่จาเป็นแล้วก็สวรรค์ชั้นดุสิตอามันตรงกับประเทศไทยหรือเปล่าดุสิตมหาวิสสัตนะเนาะเอาไปเป็นชื่อตั้งสวรรค์นะ่ตั้งของสวรรค์นั่นเองในส่วนนี้อาจมาเคยไปเผยแพร่อยู่ที่อ่าอเมริกานะที่เนวาดา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 ตามประวัติบอกว่ามีแม่ธรณีผุดขึ้นมาจากแผ่นดินแล้วบีบมวยผมจนน้ำหลังออกมาจากมวยผมของแม่ธรณีใหญ่ยยหลวงเท่ากับแม่น้ำเจ้าพยาสามารถท่วมทับหมู่มานตายหมดเพราะงั้นนั้นแสดงว่าแม่ธรณีมาช่วยพู้ทีเจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยกับมาน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 แต่เรื่องราวและนิทานประกอบนั้นเป็นโดยสมมุติภาวะเอามาประกอบกันเข้าจึงเป็นเรื่องราวเหมือนทุ่เลียนหนึ่งลูกเวลาคุณใช้คุณก็ทิ้งเปลือกมันไปฉันใดก็ฉันนั้นโอ้ฝรั่งฟังเล้โอ้โหขนาดนั้นเลยลึกซึ้งขนาดนั้นเลยใช่คุณรู้แต่เรื่องสมมติแต่คุณไม่รู้เรื่องปรมัตาร์อลฉันจะรู้เรื่องปรมัตาร์ได้ไงมีอย่างเดียวคุณต้องทาวิปัสสนา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 นิทานชาดกต่างๆในเรื่องของสวรรค์หกชั้นก็ดีพรมสิบหก็ดีก็มีทั้งเปลือกและทั้งเนื้อมีทั้งสมมติมีสัจจะและมีทั้งปรมัตารยสัจจะดังนั้นอริธรรมก็คือตัวปรมาจาพระวินัยและพระสูตรเป็นตัวสมมุติในตัว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 เขานิมลไปที่เกาะ ห, หนึ่งเรียกเกาะสุลาบายามีผู้เท่าคนหนึ่งที่เป็นาทายิกาของวัดอายุ94ปีดูแลรักษาวัดได้ละท่านามรณาภาพหรือตายลงก็นิมลพระไปสวดทีนี้พระก็ไปกันนะมาไปกันตอนนะั้นสามสี่รูปก็ปรากฏ ว, ว่าทายกทดีกาเพราะชาวพุทธในอินเดีเซียก็เยอะเหมือนกันนะเยอะมาก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 ตอนนั้นเองบุญกุศลย่อมคุ้มครองแม้กระทั่งตายแล้วนะไม่ต้องทาไสาปลอกขอกส้ยางนอนตายธรรมดาเหมือนนอนหลับก็ปรากฏว่าพอไปสวดงานนั้นก็สวดพร้อมกันนะมาเออถ้าเมืองไทยเหล่านี้เอาอแบบนี้ก็ดีนะเผื่อว่าในวันข้างหน้าพระเหลือที่วัดองค์เดียวก็ไม่ต้องนิมนต์สี่รูปห้ารูปใช่ไหมนิมนต์พระไปองค์เดียวแต่ว่าโยมสวดกระทั้งหมดเลยนะต้องเป็นอย่างนั้นต่อไปพระอยู่ยากเนาะพระจะอยู่ลำบาก ยากขึ้นเพราะพุทธศาสนาถูกภัยเบียดเบียนหลายด้านพระเดี๋ยวนี้มีแต่วัดต่างๆวัด น, นอกมีแต่วัดหลวงนะ่ะนะวัดลาดไม่เคยมีละรู้จักไหมวัดหลวงอะไรวัดหลวงตามีหลวงตาเฝ้าวัดวัดละองสององค์่นเนนก็ไม่เคยมีบวชละนั้นเองก็วัดก็จะล้างไปต่างๆทีนี้อภิธรรมเจ็ดคำพีขึ้นต้นว่ า, าท่านใช้คําว่าธรรมสังคีนีเนาะ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 ระหว่างทางที่ท่านไปลอยถาดกลับมาสู่ที่โพธิบัลลังในระหว่างทางพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อว่าโสธียพคามได้ถวายยาคากี่กำมือแปดกำมือแล้วพระองค์ก็ได้นำยากุสานั้นมาปูราตที่อาสนะเหนือบัลลังใต้โพธิบัลลังชื่อว่ายากุสาเราเอามาแปลเป็นภาษาไทยว่ายายาค า, า, า, คา <laughs> เราชื่อยาคานั่นแหละ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 หนามมันแหลมหรือมันทู่ <Yeah. S 1> นามแหลมหนึ่งไม่นามแหลมสองลากสีดําหรือสีขาวรากยาคาลากสีขาวสามราคายากลากยาวหรือลากสั้น <Yeah. S 1> ลากยาวไปทั่วเลยนะสี่ยาคาตายง่ายหรือตายยาก <Yeah. S 1> ตายยากห้ายาคาใช้ประโยชน์อะไร <Yeah. S 1> ใช้หลังคาแม้จะคุณจะมุงสังเกสีเมเทัลชิตกับเบื้องกระดา <Yeah. S 1> ก็เรียงเรียงเรียกว่าหลังอะไร <Yeah. S 1> หลังคา ไม่ได้เรียกว่าหลังวิ่เทนชิตไม่ได้เรียกว่าหลังสันกศีไม่ได้ว่าเหลียงหลังตะเบือ้องก็ยังเรียกว่าหลังขาเพราะจะมีเพื่อเป็นอนุสร์แก่ย่าขาแม้มันจะหมดไปแล้วก็ตามนะก็ยังไม่หมดนะคนคนที่จะมีกุศลก็มีคุณสมบัติห้าประการหนึ่งคนที่มีกุศลต้องเหมือนรากยาขาคือจิตต้องสะอาดคือจิตขาวเหมือนรากยาขา ยาคานี่ถอนมาแล้วนี่ไม่ต้องล้างนะเคี้ยวกินได้เลยนะอาตมาสมัยเป็นเด็กถ้าหิวน้ำขึ้นมาก็ถอนรากยาคากมาเคี้ยวกินหวานด้วยปั่นปลาแ่มปลาแรมไม่จัดนะอ่าหนึ่งรากยาวสองคนดีกูศวนนั้นต้องแหลมคมฉลาดและแหลมคมเหมือนรากยากษาสามรากยาคานันหากินไกลและยาวลึก คนที่มีกุศลนั้นชอบแสวงหาสิ่งที่ดีๆที่นําให้เกิดปัญญาแหลมคมลึกซึ้งหากินไกลกันไหมคราว่าชอบหาความรู้ใส่ตัวชอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ใ, ใส่ตัวเรียกว่าอมีคือแสวงหาไปทั่วอะไรดีๆนะอะไรที่ดีๆเนี่ยย่าคาเมื่อกันมันไปหลายแห่งมันต้องไปแสวงหาธาตุอาหารใส่รากใส่ต้นของมันสี่ยาา่าคาคุณ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 ได้สวรรค์ได้ลาบได้รวยได้หวยได้เวอร์ได้โชคได้อะไรไปเรื่อยๆแหละชอบทำบุญแต่การทำกุศล น, นั้นจะต้องทำหนึ่งเว้นชั่วสัพพาปะสากะระนังสองกุศล ส, สูประสัมพทาถึงพร้อมด้วยความรู้จักเลือกและฉลาดเลือกกุศลแปลว่าฉลาดแปลว่าแหลมคม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 ได้ดีมีถงไปทำดีได้ดีสับสนไหมทำดีทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วแล้วได้ดีมีถงไปอันนี้เป็นภาสิทธของบัณฑิตชนหรือภาลาชนเป็นภาระบัณภารชนเป็นภาละาสิทธ์ไม่ใช่พุทธภาสิทธ์นะเป็นภารภาสิทธนะดังนั้นท่านบอกว่าทำข้อที่สามเนี่ย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 ไม่เล่นเพราะที่ไปเล่นเพราะใจไม่ดีมันจึงเสียใจนะอันนี้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นกุศลธรรมากุศลสมาไม่ต้องไปไกลก่อนะั้นเอาแค่นี้พอให้สามข้อถ้าจบหมดทั้งข้อนัคื น, นนี้ไม่ได้กลับบ้านกันแ น, น่นะหลวงพ่อกำลังมองหาน้ําอยู่นะอเดี๋ยวหลังจากบรรยายแล้วเปิดโอกาสให้ให้ถามปัญหานะครั้งหนึ่งอาจามาไปอบรม สมัยก่อนอบรมพวกเด็กนักเรียนในในเมืองไทยนะอ้าวใครมีปัญหาอะไรถามยกมือขึ้ น, นยิบทั้งห้องเลยนะขยันขยอใอยถามก็ไม่ถามเมื่อปี40เนี่ยเอามาได้รับนิมนต์ไปอบรมวิปัสนาครั้งแรกที่วัดจงเยียนรัฐนิวอ็กเมืองคาเมลซิตี้อยู่นั้นประมาณหกเดือนทีนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งในเดือนมิถุนาเนี่ยเาเรียกเป็นซัมเมอร์แคมป์